สอนที่รบคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสัสนีสนทนาช่วงเวลาที่สองซึ่งกำลังจะได้ไปกราบนมัส ก, การพระเป็นบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะเพื่อที่จะฟังพูทวัจนะในการตอบคำถามจากท่านค่ะกราบนมัส ก, การค่ะท่ะานคะเจริญพค่ะวันนี้ก็ค้างอยู่เมื่อวานนี้ที่ได้กราบเรียนถามท่านว่า พระพุทธองค์เนี่ยสอนเรื่องบ้านๆไหมเรื่องชาวบ้านใช้ชีวิตกันคําตอบก็คือได้แล้วก็สนทนากันมาเยอะแล้วก็มาถึงตอนจะยกตัวอย่างแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างว่านําเอาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งฟังดูแม้น่าจะหันหน้าเข้าวัดแต่พอปฏิบัติตามแล้วกลับรวยได้กลับประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตในด้านโลกได้ น, นะคะเป็นอย่างไรไปฟังสิ่งที่ท่านเผบูรณ์ได้ หยิบยกออกมาเพื่อที่จะบูชาพระพุทธองค์ในโอกาสพุทธชยันตีกันก่อนได้ไหมคะท่านได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยเขาเรียกว่าอะไรสเสบยชาตเป็นเป็นชาติต่างๆคือได้เคยทําบุญทําอะไรมาในชาติก่อนๆก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะรเราเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังสังหน่อยที่น่าสนใจคือมีครั้งหนึ่งเคยเกิดเป็นเป็นพ ร, ราหมณ์แล้วก็ตัวของพ ร, ราหมณ์องค์นี้นั่นซะึ่คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเนี่ย เขาเรียกว่าโชติละมานพเป็นมานพคนหนึ่งซึ่งมานพคนนี้ก็ไม่สนใจที่จะไปไปหาพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นสมัยนั้นก็เป็นสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ามาไม่แน่ใจว่าชื่อพระพุทธเจ้าอะไรคะในะอย่างไรก็ตามพระโพธิสัตว์นะคือโชติปารละมานพเนี่ยก็ไม่อยากจะไปหาพระพุทธเจ้าไปไม่ไปหาแม้จะต้องคนอื่นชวนะอะไรต่างๆก็ไม่ไปหา สุดท้ายเนี่ยเขาใช้ไม้ตายเลยเพื่อนคนนั้นแล้วด้วยการดึงผมไปนะดึงผม <c oughs> ถึงต้องดึงผมกันเลยถึงจะไปหากันได้นะค่ะนึกถึงมนุษยธรรมอืม <c oughs> ซึ่งเป็นขนาดนั้นแล้ว <c oughs> พอไปเจอพระรูญเจ้าอพอคุยกันสวนนันทธรรมโอ้มีความพอใจอย่างมากจึงทูลขอบวชเลย <c oughs> นะขอบวชในชาตินั้นนะ <c oughs> ขอบวชแล้วก็ได้จนบวชตายข่าผ้าเหลืองไว้อย่างนั้นสาเหตุที่ได้เล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้เล่าให้ฟังกับพระอ น, นุ์ ดูโดยในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เดินไปในสถานที่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองอะไรเหมือนกันนะพอเดินไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็แย้มพระโอ์ขึ้นมานิดหนึ่งยิ้มนิดหนึ่งว่ากั้นเถอ ะ, ะพระอนอนทเห็นปุ๊บถามทันทีเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระพุทธเจ้ายิ้มช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมะนะท่านพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าตรงที่นี้แหละนะเป็นที่ที่เราถูกฉุดลากไปนะเพื่อไปแห่เฝ้าพระพุทธเจ้าโดยเล่าเรื่องอ่าโชติละโชติปาลมานพนี่ให้ฟังอ๋อก็เท่ากัวท่านเอง ในชาตินู้นคือชติปาละมานกใช่ที่ถูกชุดลากไปจนกระทั่งต้องไปเฝ้าพระรุจาเพื่อนของตัวเองเนี่ยชุดลากไป อ, อที่ตรงนี้แหละที่ถูกชุดไปแล้วก็ไปเฝ้าแล้วก็จนกระทั่งมีความพอใจอย่างมากซึ่งตอนแรกก็พูดอย่างเสแสร้นั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการไปหาสมณพลุกหัวโล้นแหลงตานาสุดท้ายไปหาเองก็ได้รับความพอใจเกินประมาณโอก็อแปลว่าพระพฤุธองเองแต่ก่อนนู้นอดีตการยาวไกลไม่เคยศรัทธามาก่อน ก็ไม่ค่อยศรัทธาคือคือศรัทธานี่หมายความว่าเพื่อให้ไปเห็นแล้วก็ศรัทธาน ะ, ะแต่แต่ก็ไม่ได้มีความสนใจในแรกๆนี่ในช่วงที่บ่มเพ็ญบารมีอยู่ค่ะได้ทราบอีกอย่างนึงนะคะว่านอกเหนือจากพระชาติที่เป็นอะไรนะคะกันหาชาลีเนี่ยที่ฉันจำได้แต่เรื่อง <laughs> เรื่องเองอวสสันดรชาดกนะคะ เ, เพราะว่าดังมากก็ยังเคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อโชติปาระมานพและมีประวัติที่น่าสนใจดังนี้ใช่ เป็นส่วนที่เราควรรู้นะคะเพราะปีนี้เป็นปีที่เราจะระลึกถึงการเกิดมีของพระพุทธองค์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามา 2,600 ปีเราก็มาถึงเรื่องของอที่กราบสนทนากับท่านพิบูลกันต่อหลักธรรมที่จะได้ประโยชน์กับผู้ที่ดำรงชีวิตในทางโลกท่านพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ท่านพิบูล ด, ดิฉันจะขออนุญาตที่จ ะ, ะเล่า เกี่ยวกับตัวอย่างของคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาประสบความสำเร็จในทางโลกนิดนึงนะคะยินดียินดีคือก็ได้มีโอกาสไปร่วมเรียนปฏิบัติธรรมกับสถาบันแห่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะโอกาสปิดคอร์สประธานของสถาบันเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นนักธุรกิจใหญ่เขาก็ออกมาพูดบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเ่อมใสามากเขาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบาทีเนี่ยมันท้อ ทำาหากินมันเหนื่อยก็นั่งสมาธิแล้วก็ตั้งคำถามแล้วมันก็เกิดคำตอบขึ้นมาในสมาธิดิฉันไม่รู้ว่ามันตอบมาในส่วนสมาธิหรือส่วนปัญญานะคะว่าให้ดาเนินการอย่างไรกับงานที่ตัวเองทำแล้วก็ไปทำตามความรู้ที่ได้จากสมาธิก็ได้กำไรเป็นหลายร้อยล้านตอนนั้น ไม่ได้พูดให้ใครโลภนะคะนี่ยกตัวอย่างเพราะว่าฟังไปจากเจ้าตัวเขาและ้ะเชื่อว่าคนแบบนี้เขารักษาสีแลว้วเขาคงไม่โกหกใช่คืออันนี้ตัวอย่างอันนี้ให้เห็นอะไรบ้างคุณยมเติยวจะอธิบายฟังค่ะ อ, อ, อันดับแรกก็คือว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าการตัดสินใจที่จะต้องใช้พลังจิตนนในการที่จะต้องตัดสินใจนคือคือทุกปัญหาคุณยมเติยวมันต้องใช้พลังจิตไม่ต้องพูดถึงปัญหาเลยเอาแค่ว่าคุณจะไปพูดในที่ชุมชน เน่คุณจะเตรียมเรื่องพูดเนี่ยคุณต้องใช้พลังจิตนะหรือว่าแค่ว่าคุณจะไปประชุมคุณจะไปเรียนหนังสือคุณจะเป็นคนสอนก็ตามหรือคุณจะเป็นนักเรียนก็ตามไปเรียนผู้นี้คุณต้องใช้กําลังจิตหมดจิตคุณต้องอย่างน้อยต้องมีพลังคืออันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของสมาธิไงสมาธิตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณจะนั่งนิ่งแข็งเป็นต้นไม้ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยนะไม่นั่นคือสมาธิที่ลึกลงไป อันนี้เราเคยเห็นตัวอย่างคือบางงานบางงานใช้สมาธิไม่มากงานบางงานใช้สมาธิมากยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหรือว่าเราดูหนังที่แบบอุ้มสนุกมากเราเราชอบมากอ่านหนังสือที่เราชอบมากเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะนี่คือสมาธิที่ลึกที่เราเคยเคยพบเจอมาในชีวิตประจวบเรานะค่ะส่วนเวลาเราทํางานบ้านในะเวลาเราเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้สมาธิมากบางที่เราก็รับรู้สิ่งต่างๆมากมายอย่างนี้ก็2กรณี ทีนี้ไอสิ่งที่สําคัญสําคัญเนี่ยเวลาที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยคุณต้องจมีกําลังจิตคือจิตที่เวลานิ่งแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะจิตที่นิ่งแล้วเหมือนกับไอเจ้าเขาเรียกว่าแว่นขยายนะที่มันรวมแสงมาเป็นจุดจุดโฟกัสจุดมันเล็กๆเนี่ยนะคือเป็นจุดที่มีพลังมากเช่นเดียวกันถ้าจิตคุณนิ่งแล้วเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลังนะจิตที่มีกําลังตรงนี้นะสามารถที่จะเอาไปใส่เรื่องอะไรเรื่องนั้นแก้ได้เอาไปใส่เรื่องอะไรเรื่องนี้คิดออกไปใส่ในปัญหาอะไรตรงนั้น สว่างจ้าขึ้นมาถูกไหมคือสว่างจ้าขึ้นมาเพราะมันมี เ, นเจตที่มีกําลังเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของนักธุรกิจคนนี้ยเขาก็พอจิตเขาเป็นสมาธิแล้วมีกําลังละมีกําลังในที่นี้คุณเอาไปสะเอาเรื่องอะไรไปใส่ปุ๊บมันมันสว่างขึ้นมาเขาใจไหมทให้เขาสามารถเห็นสถานการณ์ปรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะปเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยลักษณะนี้ ค่ะอันนี้ก็กำลังจะเสริมท่านพอดีเลย ว, ว่าคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนประกอบกิจการงานอยู่แล้วแล้วมีปัญหาที่กิจการงานนั้นแล้วในสมาธิเนี่ยคลี่คลายให้เขาเห็นหนทางในการที่จะจัดการแก้ปัญหาและดำเนินการต่อไปและก็ลงมือกระทำค่ะนอกจากนี้คนที่จะจะมีสมาธิระดับนี้ได้เนี่ยที่จะไปคิดแก้ปัญหานี่นะคือคุณจะต้องมีศีลนะศีลนี้เป็นพื้นฐาน สีเนี้พระเจ้าเคิเปรียบว่าเป็นพื้นฐานที่ให้เรายือนอยู่แต่พอ เ, เรามีศีแล้วจิตของเราก็จะไม่มีความร้อนใจเพราะไม่มีความร้อนใจไม่มีความกังวลใจเนี่ยจิตมันก็มีปีติมีสุขสุ ข, สขความสุขนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิที่เรามีได้ค่ะก็คือสรุปแล้ววันนี้นี่บอกทีเด็ดรวบยอดแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าตอนแรกกราบเรียนถามท่านว่าน่าจะเป็นข้ อ, ข, อข้อเรื่องๆไปเช่นเป็นนักการทูตทําอย่างไรเป็นพ่อค้าทําอย่างไร แต่ท่านเพบุญก็ได้พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสอนคือถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคะมจะเหมือนกับเป็นยาครอบจักรวาลเป็นยาอายุพันะยาครอบจักรวาลแก้ได้ทุกปัญหาค่ะแต่ว่าต้องปูพื้นต้องรับประทานยาไปเป็นพื้นฐานก่อนก็คือศีลถูกไหมคะใช่แล้วท่านคะทีนี้ก็มามองกันว่าศีลเนี่ยอ่กับ คราวาสเนี่ยศีนมีห้าข้อแปดข้อถ้าเป็นสามเณรไม่ค่าสินอิบถ้าเป็นพระนี่สองรอยี่สิบเจดข้อคราวาสเนี่ยถ้าจะอยากเก่งกว่าคนอื่นอยากแน่คนอื่นเนี่ยต้องรักษาให้เกินแปดข้อไปไหมคะเอศีนเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติคุณยมติวค่ะเป็นปกติในวิสัยของเขาในสมมติอคราวาสคุณมีปกติไม่ค่าสัตว์นะไปที่ไหนในโลกเขาก็มีกฎหมายว่าห้ามฆ่า อย่างสภาบสามเณรคุณมีปกติเพิ่งมาอีคือคุณไม่จับเงินคุณไม่มีเพศสัมปันธ์คุณไม่ไปเขาไม่อะไรไม่นอนบนที่สูงนี่คือปกติของของสามเณรนะปกติของพระสงฆ์ก็จะมีข้อปกติเยอะแยะเช่นนหัวเป็นปกติใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ห่มผ้าจีบบแบบนี้เป็นปกตินี่คือความเป็นปกติของสมณนะซึ่งความปกติของใครก็เป็นเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีศีลมากกว่าเขานะหมายถึงคุณจะดีกว่าเขา ค, คือถ้าเราเองคิดว่าเราดีหรือว่าเราไม่ดีกับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องละอยู่แล้วนะพี่แต่ว่าศีลเนี่ยประโยชน์ของศีลเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเป็นพื้นฐานในการที่ให้เร า, เาไม่ไม่ร้อนใจนะเ ข, เข้าใจไหมสมมุติว่าคนที่มีพื้นฐานมีศีลมากไม่ใช่ว่าพื้นฐานของคุณจะจะกว้างนะแต่คุณคสามารถไปถึงสิ่งที่ดีกว่าได้ในที่นี้คืออะไรในที่นี้คือนิพพาน อย่างวิสัยของครว่าต์คืออะไรคุณโยมติวิสัยของครว่าต์คือการเสพกามนะข้าับบดีหรือว่าผู้บริโภคกามเนี่ยกร า, มมารมะโพกีเนี่ยคือวิสัยของเขาต้องเสพกามผู้ที่จะเสพกามได้อร่อยได้พอที่จะ เ, เลี้ยงตัวได้คุณต้องมีศีห้เข้าใจไหมถ้าคุณมีน้อยกว่านั้นไอ้กามที่คุณเสพยิ่งจะเป็นภัยมากขึ้นถ้าคุณมีมากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นคือสีแ8ดนะคือไม่เสพกามแล้วนะคือคุณเสพกามน้อยลงอันนี้คือเริ่มประพฤติพรหมจรรย์ละ เริ่มหลีกออกจากการามละเริ่มในการที่จะหลีกออกแล้วจะไม่ได้วิสัยของช า, บาลลวบ้านละเพราะฉะนั้นศี่ห้าเราเนี่ยทําให้เงียบเนียบคือเนียบเขาจะไม่คุณโยมติเนียบนี่คือสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์สมบูรณ์ บ, บริบูรณ์ไม่เหมือนกันนะอย่างสมมุติเราเอาน้ำเราจะเดินทางไกลอย่างเงี้ยคุณต้องมีน้ํา 1.5 ลิตรไปขวดหนึ่งเนี้ยนะน้ําใสๆด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าคุณน้ําใสๆเหมือนกันแต่เอาแค่หลอดเดียวหลอดหนึ่งอาจจะร้อยซีซีอย่างเงี้ยมันก็สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่แต่ไม่บริบูรณ์ ก็จะมาคือศีลบางทีคุณศีลคุณบริบูรณ์อยู่ศีลคุณสมบูรณ์อยู่แต่ว่าไม่บริบูรณ์แต่ปีนยังไม่เต็มบางคั้งเถอะค่ะอืคือเหมือนกับว่าฟังดูเหมือนกับง่ายศีลเนี่ยแต่ถ้าจะทำให้ดีเนี่ยต้องทําให้เนียบใช่เนียบนี่ก็คือสมบูรณ์และบริบูรณ์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอ่านดูเรามีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ยาก ก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วลทุกวันนี้ก็ไม่ได้ข่าใครทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขโมยของใครไม่เป็นชู้กับใครนะคะไม่โกหกใครแต่กโกหกนิยามกันนะ <c oughs> <c oughs> เ, เรื่องดื่มเนี่ยก็ไม่ดืมอยู่แล้วสำหรับบางคนนะคะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอดูรายละเอียดอย่างแค่โกหกเนี่ยก็ตั้งใจไม่ตั้งใจโกหกใครมันทีมันเผลอะคะ่ะชาติยามตัวรอด อ, อันนี้ก็เรียกว่าด่างละ เริ่มดังเริ่มร้อยเพราะฉะนั้ขาดความบริบูรณ์แล้วถูกมคะย่าเรื่องค่าสัตว์ก็รวมถึงค่ายุงค่ามดอะไรพวกนี้ด้วยนะค่ะไรายละเอียดนี้ผู้เช้าก็เคยพูดถึงความที่แม้แต่จิตอาฆาตอาอาตจิตที่พยาบาทก็ด้วยน ะ, ะในสัตว์ในสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านคะสมมติว่าอสามีเราออืถูกฆ่าตายอืนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบแห ม, มีเป็นคดีที่แบบโด่งดังออื เราก็ทวงถามมันอยู่เรื่อยๆว่าใครฆ่าสา ม, มีเราอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันเป็นอุปสรรคกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ว่านอ๋นนอแน่นอนแน่นอนคือทวงถามนี่คือคือแสว่าคุณยังคล่องอยู่เออเอาใหม่ดีกว่าจะถ้าจะปูุกว่าบอกว่าการที่เราถามเนี่ยอาจจะจิตแบบไม่อาค่าก็ได้เนึกออกมาอย่างอย่า ง, อ า, งอายการเนี่ยเขาก็ก็ถามอยู่เรื่อยหรือว่าคนที่เป็นทนายเขาก็ถามอยู่เรื่อยแต่เขาก็ไม่ได้มีจิตอาค่ารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะในหน้าที่ของเขา เหมือนการถามเนี่ยด้วยกิริยาของแค่อาการการถามเนี่ยจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนนั้นอาฆาตไหมคนนั้นยังมีความยึดติดอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างผู้ชายอย่างเราเนี่ยไม่มีความยึดติดอยู่ละแต่เป็นห่วงพระสงฆ์ไหมเป็นห่วงนะถามสารทุกขสุขดิบไหมถามเหมือนกันนะที่นั่นบินบาบเป็นยังไงอยู่ได้ไหมพออดทนกันได้ไหมเธอแสวงหาตามเหตุตามปัจจัยไหมก็ถามเพื่อเป็นการถามสารทุกขสุขดิบแต่ก็ไม่ได้มีความยึดถือล่ะมีความรักความเมตตาจะถามด้วยความรักความเมตตก็เป็นไปได้ คืออย่าให้มีความพยาบาทใช่ประเด็นคืออย่ามีพยาบาทนะไม่ให้มีการพยาบามเบียดเบียนใช่ประเด็นที่สองก็คือไม่ให้มีความยึดถือด้วยอืแต่ถามได้สอบถามได้อแล้วก็สาวคลาดีได้คุณทําได้คือ<า>ด้วยเพื่อให้รู้อ่าใช่ด้วยอากัปกิริยาแห่งการถามหรือว่าการกระทําอะไรทางกายทางวาจาเนี่ยจะไม่ได้สามารถบง่งบอกได้ว่าจิตเขาเป็นยังไงสําคัญที่จิตแต่ยากนะครับท่าน พูดถึงบางอย่างมันเกิดซ้อนๆกันมันมันมันยากอืมก็ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าความยากลำบากอยู่พอสมควรใช่ค่ะแต่ก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าตามหลักการที่ถูกต้องก็อย่าให้มีเบียดเบียนอย่ามีการยึดถูกไหมคะใช่นะคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะเลยไปรักษาศีลกันพยายามให้บริบูรณ์ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ ท่านก็จะมีปกติที่เป็นพื้นฐานในการที่ท่านจะก้าวหน้าในเรื่องของสมาธิปัญญาแล้วจะเป็นยาครอบจั ก, กรวาลที่ช่วยท่านในทุกเรื่องดิฉันสรุปอย่างนี้ได้นะคะเห็นด้วยมากค่ะก็กราบน้มสักการท่านเพรยบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะ <c oughs> น้นมสักการค่ะ <c oughs> ฝั่งค้า น, นั่นก็คือพระอาจารย์เพริบุญญาพิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีกราบสนทนากับท่านในรายการนี่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องปฏิบัติกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้อานวยการหลักสูตรการหลีกเล่นเลยนะคะอยู่ที่วัดของท่านที่จังหวัดอุดรธานีคือว่าป่าดอนหายโศแล้วก็มีคอสปฏิบัติกันเป็นประจําทุกเดือนด้วย รายละเอียดเราคงต้องคุยกันในวันต่อไปแล้วอยากจะทิ้งท้ายเรื่อ ง, องการให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาผู้ทวจนะเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจคําสอนที่ถูกต้องปิดผลทางในการที่จะลาดพลังแล้วก็ยังจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆจากคําของพระศาสดารวมอยู่ในหนังสือที่ท่านจันทร์คลิปโสธิพโลวัฒนาปาพงลำนุกาครองสิทธิ์ได้มอบให้กับพวกเรากันท่านละหนึ่งเล่มวันละสาท่านนะคะ 022690006ค่ะและส่วนที่ท่านสนใจจะถามคำถามท่านไพบูลขอให้ท่านโทรมาที่เบอร์เดียวกันนี้022690006ฝากไว้หรือตรงเลยก็ไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ค่ะวันนี้เราลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะพุทวิตสวัสดีค่ะ